มันควร จ, จะเจรินนอกจากพอมีหางสีแล้วก็ควรจะใช้กสินสีรือสีกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัยาศัยใสเพื่อเป็นเครื่องปรับปรุงใจให้พ้นจากอำนาจของคเป็นคนโทสารายหรือโกรธง่ายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมหาษาัตริย์ทรงตัสอย่างนี้ อาตมาภาพเข้าใจว่าสมเด็จพระมหาวุณีคงมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าสมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าเป็นสัพพโยวิสัยถ้าหากว่าพระมหาบพิจตถามอตมาว่าเป็นพ่ออะไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรงตัดไวเพื่อเพียงอย่างเดียวจะได้ปฏิบัติสบายอันนี้พระจะพิจารณาไปไม่ใช่อาตมาทราบ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 เมื่อมีอารมณ์บาคนที่มีอารมณ์ชอบพระอารมณ์ทรงตัวเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องการจะคิดเกง่งว่าจะฟุ้งซ่านมากขึ้นไปใ น, นอย่างหนึ่งดังนั้ น, น, นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้กรรมฐานคู่ปรับกับโทสะจริตไว้เป็นสองรายการด้ยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมบริหารสี่เป็นอารมณ์คิดก้าวสินสี่ไปอารมณ์ทรง จะทรงอยู่ในการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแในความจริงกระสินมีทั้งสิบอย่างถ้าพระมหาบ พ, พิตรจะทรงตรัสถามว่าทําไมกระสินเรื่องสิบอย่างนี้จะใช่เหมือนกันหมดไม่ได้หรือทําไมจริงจะเฉพาะมาใช่แต่เฉพาะวันณกระสินสี่อย่างเท่านั้นถ้าทรงตรัสถามมาอย่างนี้อาตมาก็ะคองขอตอบ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 เท่าที่ผ่านมาแล้วในระยะตนอาตมาเองไม่เข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศ พ, ศพุลแต่ก็พยายามทำตามคำสอนก็รู้สึกว่ามีผลทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาพยากรตัวเองไปอาราหารกล่าวกันแตเพียงสั้นๆหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆในน้อยเป็นความดีเบื้องตน้น ญาณิองสมเด็จพระทศพลทรงสอนให้รักษาศีลทรงสอนให้ให้ทานในตอ น, ต, อนอต้นอาตมาก็ไม่ทราบทั้งญาณิสง <c oughs> ว่าจะมีผลเป็นไปการใดแน่นอนไปฟังท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ท่านพูดกันก็ต้องก็พูดแต่ผลในชาติหน้าผลในชาตินี้ไม่เคยที่ฟังใครกล่าวให้พบให้ได้ยิน <c oughs>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 นี่ก็เลยทำตามท่านโดูก็รู้สึกว่าทานก็ดีสิ่งก็ดีภาวนาก็ดีไม่ใช่มีผลชาติหน้าอย่างเดียวต้องได้รับผลตัณฑชาตินี้ไปก่อนคือความสุขใจ <c oughs> ได้ให้ทานแล้วแล้วก็มีความได้มิตขึ้นมามีความสุขคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนที่เขาไม่รู้สึกคุณคนเป็นของธรรมาดา จะต้องมีอยู่ไม่ใช่เ่ให้เขาแล้วเขาดีทุกคนแต่ชีวิตใจก็มีความสุขเพราะได้มีโอกาสได้เืเอคนเขาเห็นเขาอาักตันยูไม่รู้คนคนก็นึกยิ้มอย่างในใจว่าคนนี้ช่างอะไรเป็นนี่กิเลสมาได้ใช่ก่อนไม่พอยังจะมานี่กิเลตันหานชาตในอีกสร้างอาุปโภนกรรมทำขึ้นเป็นคนที่น่าสงสารอย่างยิ่ง การรักษาศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขการภาวนาทําใจให้เยือกเย็นอันนี้ก็รู้สึกว่าชาตินี้มีผลนี่การที่องค์สมเด็จพระทศพล์ทรงสอน ท, ท, ทั้งๆ่นที่จะมาไม่ทราบวันิสงก็ลองทํามาแล้วก็มีผลคือมีความสุขใจในด้านที่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องใช้เฉพาะกับศีลสีส่อย่างนี้อาตมาไม่เข้าใจชัดเหมือนกัน แต่ว่าผลที่องค์สมเด็จผู้ทรงสวัสด์ให้มีประโยชน์อย่างอ่าอย่างโอทายแต่กสิงกสินสีขาวถ้าทํากสิงข้อนี้เข้าจนเป็นฌานสมาบัติผลที่ไดในอันดับแรกก็คือมีความสุขใจจิตใจไม่ไดิน้นรนมากเกินไป <c oughs> แต่ว่ายังเป็นบุคคลที่พูดทรงฌานโลกีหรือเป็นโลกิยชนก็ยังมีความทุกยังมีความดินน้นรน และความดิ้นรนมันน้อยลงถ้าดิ้นน้อยมันก็เหนื่อยน้อยดิ้นน้อยมันก็ลาบากน้อยนี่เป็นว่าจิตถ้าทรงฌานได้อารมณ์มีความสุขความคิดความอ่านมันก็คล่องตัวไม่เพื่อันับแรกในสำหรับโอทายไปกระสินกระสินสีขาวเป็นสมุดฐานให้เกิดทิพย์ปิจุภัย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 และการที่จะก้าวต่อไปจะทํำยังไงที่จะมีผลรวดเร็วโอทาแตกสินให้ผลสามารถจะรู้การก้าวหน้าของตอนได้ว่าเราจะทําเข้าถึงจุดนี้ควรจะทําจุดแบบไหนจึงจะตรงจุดไม่เปรปะเปปะไ ป, ป, ะ เ, ปเหมือนกับคนตาบอดคําทางนี่เป็นอันเมกะสินสี่ระการนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะโอทาแตกสินมีประโยชน์มาก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 เช่นไหมนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูกับอักาสาวกก็ยังอยู่ความเพียงก็สงมีมากปรากฏว่าในการหนึ่งอักาสาวกเขา อ, องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือภาษาริบุท <c oughs> เป็นได้รู้จิคนหนึ่งเป็นลูกชายคนนายช่างทองเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยและก็เป็นคนรวย เรื่องคนหนุ่มคนสวยคนรวยพระสารีบุตรก็มีความเข้าใจว่าเธอก็คงจะมกักมากบริการมอารมณ์จิตใจจะยุ่งยากไปได้วยเพื่อนระหว่างเพศเพราะตามที่เคยสังเกตมาเป็นอย่างนั้นเพียงได้พากนนอามาอัยคอสประธานภัยเพียงได้ให้กับมาถานกับพระลูกชายในช่างทอง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 ทำเร็วคล้ายๆกับคนที่มีพุทธจริตแต่คนที่มีพุทธจริตทำเร็วต้องการเร็วแต่มีความละเอียดมากคนที่มีโทสะจริตทำงานเร็วตึงตังคมคำรวดเร็วแต่ถ้าว่ามีความหยาบมากต้องสังเกตนี่นี่เป็นข้อสังเกตาพระลูกชายในช่างทองจเจริญสุภกรรมฐานมาสามเดือนอยู่กับภาษาริบท ในที่สุดไม่มีผลในการปฏิบัติเอาอะไรไม่ได้เลยพอออกพรรษาขึ้นมาภาษาริบจึงพาพระลูกชายในช่างทองไปเป้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าทรงดำริเอกพระเขาทานอภัยด้วยซ้อได้คิดว่าพระองค์นี้น่ากลัวจะไม่ชวีสัยขอพวกเราเปนผู้ฝึก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 ตัวอย่างยังไม่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงดับขันข้าสู่ท่าปริมิพานความจริงจะทรงนิพพานที่ปาวาระเจดีย์ก็ได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสงส์ปัตนาในการทรงคราะปริภายชกซึ่งเป็นบุคคลสําคัญดีองค์สมเด็จพระพุทกวันต้องทรงสั่งสอนเองถ้าคนอื่นสอนไม่มีผล จานั้น อ, น อ, นองค์สมเด็จพระทศพยลยังได้ทรงเสเด็จไปที่กุศินารามาหานครตอนนั้นเมื่อปริพาโชคจะเข้ามาเฝ้าพระหามองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ย า, ย า, าที่ได้ทรงจักพระปล่อยให้เข้ามาการที่ตาทาก็ต้องทร ม, มานร่างกายลำบากมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการจะสงเคราะห์ลูกชายคนสุดท้ายคนนี้ นี่เป็นอันว่าคนที่จะทรมานให้เข้าถึงความดีบางท่านต้องเป็นพระพุทธเจ้าเองบางท่านบราาสิสวาภคทรงเคาะได้สำหรับลูกชายในช่างทองท่านบริสาที่บุตรก็ตาหนิว่าอาจจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าผู้ดเดียวองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงสั่งสอนให้คนนี้เข้าถึงมรรคถึงผลได้ท่านไม่มีความประมาทคือไม่ทนองตน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 ว่าสาลีบุตรตาดูก่อนสาลีบุตรเธอจงกลับไปเถิดกุลบุตรผู้มีคาถาที่ชื่อว่าตถาคตรสงเคราะไม่ได้นั้นไม่มีมเมื่อแม่สาลีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระจินทร์สีก็พิจารณาดูจริตว่าพระองค์นี้นี่เธอมีจริตอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบเรื่องหน้าของพุตยาน ว่าเขาผู้นี้เป็นผู้มีผู้ผู้หนักไปในด้านโทสัจริตไม่ใช่ราคะจริตเจนนันองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเพียงได้ทรงนิรมิตดอกบัวทองคำขึ้นมาดอกหนึ่งและเป็นดอกบัวสีแดงจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสด์ทรงให้กับพระลูกชายในช่างทองเมื่อเธอจงไปนั่งหน้า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 สีเหลืองก็ก็จางไปจางไปเป็นสีขาวที่ละน้อยละน้อยจนกระทั่งเป็นสีประกายปริสามารถจักนึกบังคับภาพนั้นให้สูงก็ได้ให้ต่ำก็ได้อยู่ก้นหน้าก็ได้อยู่ฝ้่งหลังก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้คร่องในอารมณ์ของจิตตอนนี้องค์มสมเด็จพระธรรมสัมมิตรขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในพระมหาวิหาร <c oughs>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 ว่าเขาพูดนั้นไม่สามารถจะทำได้เพราะอะไรเพราะกำลังใจยังอ่อนองสมเด็จพระจินาวรย์ยได้ส่งช่วยได้วความจริงการช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยประยุงใจเขาช่วยสร้างนิมิตเกสินให้เป็นนิพพานยานอันนี้มีบุคคลหลายคนมาถึงก็บอกว่าขอบรารมีหลวงพ่อช่วยให้บรรลุมรรคบรรลุผลให้ได้ฌานสมาบัติ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 สำหรับพระดูงชายในช่างทองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยด้านจิตใจแต่ก็ช่วยในสิ่งที่เรื่องโดยใจภายนอกนั่นก็คือเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าเธอเล่นชานสีกำลังเพลิน <c oughs> <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงนิรมิตรดอกบัวทองคำที่มีสีสดสวยสวย ง, งาม น, นั้นให้กลายเป็นดอกบัวที่มีสีเศร้าหมอง เมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตาขึ้มาดูดอกบัวเห็นสีเศร้าหมองใจก็แปลกใจว่าเมื่อสักครู่นี้สียังสวยอยู่นี่ทําไมสีดอกบัวพไปเศร้าหมองเป็นอย่างนี้เศร้ารงไปมากก็เกลยมาเทียบเทียบในใจว่าโอนหนอจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็เหมือนกันเดิมทีเรามีความกระปรี้กระเปร่าสวยสดงดงาม มีความเปล่งปลั่งอวัยวะสมบูรณ์ต่อไปถ้าความแก่เท่าปรากฏมันก็ย่าเศร้ามันดอกโวนี่เฮ้ก็หลับตาแล้วก็นั่งเล่นถึงภาพดอกบัวเศร้ามองก็คิดถึงว่าร่างกายเราแก่ไปแก่ไปทุกวันทุกวันไม่นก็ต้องอยจะเศร้ า, ามองแบบนี้พอยใจสบายดีหวังว่าจะเลิกลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องค์สมเด็จพระจินดารสีนิรมิตให้กลีบดอกบน์หล่นลงไปเส่นแล้ว หลือถ้าฝักยิ่งเศร้าหมองใหญ่ใกล้จะหักเหี่ยวแห้งลงไปมากเอ่ก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะเวลานั้นจิตเป็นฌานสี่ปัญญา ย, ย่อมเกิดด้วยอํานาจของสมาธิมีความเห็นว่าร่างกายของเราต่อไปนี้มันก็จะทรุดโทรมเหี่ยวแห้งลงไปมือนก็คนแก่ที่เราเคยเห็นมีหนังหุง้มกระดูกมีหลังคลอมลงมันก็ดอกบัวที่เหลือแต่ฝักเกสอกรกลีบหล่นหมดคลอมลงไ ป, งไปใกล้จะหัก คิดปร่งจิตสังขารของตนบ้างกายสภาพของเรามีอย่างนี้แน่นอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ต้องไม่สวยสดงด ง, งามอย่างนี้เสมอไปไม่หนุ่มเสมอไปไม่คลายก็ไปหาความแก่คลายก็ไปหาควารมร่วงโรยมันก็ดอกบัวนี่เป็นธรรมดาจิตใจสบายลืมตามมาว่าจะเลิกตอนนี้องสมเด็จตสมมาสมพุทัเจ้าทรงนิรมิตดอกบัวดอกนั้นให้หักลงไปกับพื้นปฐพี เธอมองดูดอกโวนี้บอกเออดอกบัวนี้เป็นดอกบัวทองคําแข็งแรงในที่สุดก็มีสภาพเป็นอย่างนี้หักเรียรายกรจากระจายจไม่เป็นชิ้นดีในที่สุดก็จะถมลงไปในพื้นปฐพีเป็นแผ่นดินไปหมดยิงกลับเข้ามาคิดถึงชีวิตของตนว่าเราเองก็มีความเช่นนั้นที่องค์สมเด็จพระพักวันทรงสอนว่าอนิจจังร่างกายเป็นของไม่เที่ยง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 เมื่อการะสมัยเข้ามาถึงตายแล้วถ้าเราเกิดเกิดกด็ต้องวนมาเกิดเป็นเด็กแล้วมาเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่มาเป็นคนตายอาการอย่างนี้มันจะหาที่สุดไม่ได้การเกิดแต่และลคราวก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีปัจจัยใดที่เป็นเหตุแห่งความสุขในเมื่อมันเป็นความทุกข์มันไม่เป็นความสุขเราจะยึดเจะถือจะเกาะมันไว้เพื่อประโยชน์ตันใด ท่านพิจารณาไปในเรื่องนี้ในที่สุดจิตก็พ้นจากอาสวะกิเลสตากิเลสเป็นสมุทเฉติวะหารเป็นพระอรหันในขณะนั้นนี่ขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมพารการที่องค์สมเด็จพระ毗ชิตมานทรงสอนให้คนที่มีโทสะเย็นใช้กสินสประการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องปรารประหารโทสะ แ้าในดีสุดก็ได้สมเอกราชแต่ผลอย่างนี้มีอยู่มากเกียนั้นการที่พระมหาภพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาตเป็นการทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเทตัะหารก็ต้องใช้พระราชจริยาพิจารณาว่าอาการที่จะต้องใช้อารมณ์จิต ว่าเวลานี้จิตต้องการทรงตัวหรือว่าจิตต้องการคิดถ้าจิตต้องการคิดก็ต้องใช้กรรมฐานที่มีอารมณ์คิดที่เป็นข่าศึกกับโทสะเจรินั่นก็คือปรมวิหารสี่ถ้าหากว่าจิตต้องการอารมณ์ทรงตัวก็ใช้กรรมฐานคือกสินสี่อย่างอย่างใหญ่ใดดังหนึ่งตามที่ตามพระราชาตรยาสัยที่เห็นว่าสมควร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 บางคนต้องการอารมณ์คิดและบุคคลคนเดียวกันบางครั้งชอบคิดบางครั้งชอบมีอารมณ์นิ่งๆทรงตัวนี่การใช้พระกรรฐานจะเข้าประหัตประหัรถ้าโทสัจจริตถ้าจะทรงตัดถามแม้แค่ชาโลกีตับได้ในขาดไหมอันเนี้ยแต่มาก็ต้องขอถวายพระก่อน ว่าแค่ชานโลกีก็แค่ระ ง, งับได้ชั่วขณะเท่านั้นอย่างเก่งที่สุดก็ในขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิให้ยับยั้งอารมณ์ความโกรธความย่ำ บ, บัดไว้ได้เท่านั้นก็เป็นพออันนี้ความจริงไม่แน่คนได้ฌานสี่บางครั้งเวลาจะเข้าฌานอาการก็โทสะจริญเข้ามาขวางอารมณ์เจ็บใจคนต่างๆมีอยู่ เป็นอนุาชาญสู้อารมณ์ขขงโทสะไม่ได้วันนั้นชาญพังบางท่านเวลาทรงชานอารมณ์ดีแนบแน่งสนิทมีจิตมั่นอยู่ในชานโทสะไม่สามารถจะมรกควรนจิตได้แต่พอใครอารมณ์เป็นชาญแล้วไม่นานชั่วขณะคู่หนึ่งอารมณ์ขขงโทสะจริตก็เข้ามาครอบงาได้นี่เป็นอนวุวาตในขณะที่ทรงชาญโลกี จะเชื่อว่าเป็นผู้มีการชนะโทสะเจริญนั้นไม่เป็นความเกี่ยวเป็นไดเพียงว่ายับยังไม่ั่วคราวเท่านั้นหากว่าปฏิบัติอารมณ์ไม่เข้าถึงระโณดามันอารมณ์ของโทสะเจริญก็ยังมีความแรงกล้าตามปกติแต่ถ้าว่าไม่ประทุษร้ายใครด้วยน้าของสินเกรงว่าสิลจะขาดนี่เพราะเข้าถึงพระสกิธาคามี อาศัยที่มีพรหมิหารสีแก่กลา้ามีภัยทานเป็นสำคัญในตอนนี้รู้สึกว่ากำลังของโทสัจจริตจะเปล่ากำลังโลมีเมือนกันไม่มากนะักแล้วก็ยับยั้งไดรวดเร็วโทสจจริตนี้ถ้าจะทำลายให้หมดไปได้จริงๆให้สิ้นสักก็ต้องเป็นพระอนาคามี